เรากําลังอธิบายถึงความเป็นผีเป็นเทวดากันให้สมาธิธิตรงตามพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งหมายถึงวิญญาณแท้ๆที่เป็นปรมัธธรรมชัดๆชาวพุทธไทยทุกวันนี้ได้่ากันเข้าใจในเรื่องวิญญาณไปเห็นเหมือนเทวนิยมเห็นผิดกันเกือบหมดแล้วกลายเป็นความรู้เป็นความเห็นเช่นเดียวกับชาวเทวนิยมที่เห็น วิญญาณมีรูปร่างในวงเล็บสรีระมีตัวตนในวงเล็บอัตตาซึ่งผิดประจักพระพุทธเจ้าทรงสอนเสียแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ามโนนั้นอสรีระในวงเล็บไม่มีรูปร่างเช่นในพระไตรปิฎกเล่ม 25: ่สข้อสิก็มียืนยันอยู่ให้ศึกษาวิญญาณนั้นอนิทนัศนังในวงเล็บเห็นไม่ได้ อนันตังในวงเล็บไม่มีกรอบขอบเขตจึงไม่มีรูปร่างให้เห็นสัพพะโปสัพพสัพพโตผนังสัพพะโตปนัสัพพโตประพังในวงเล็บกระจายอยู่ทั่วไปเหมือนแสงสว่างก็ก็ตรัส ม, มีไว้ในพระก็ตรัสมีไวในพระตรี ก็ตรัสมีไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ350แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่ามโนนั้นอสรีรังแต่ก็ยังมิฉาทิฏฐิกันว่าวิญญาณผีวิญญาณเทวดามีรูปร่างที่เห็นได้เห็นรูปร่างเห็นโฉมแบบตาเนื้อเห็นบางคนเห็นในพวังมีภาพในใจบางคน บางคนนั้นเห็นผีเห็นวิญญาณถึงขั้นปรากฏอยู่ภายนอกโดยเห็นจิตวิญญาณมีรูปมีร่างมีโฉมมีโครงร่างที่สัมผัสด้วยธาตุรู้ก็จะปรากฏเป็นรูปในวงเล็บสิ่งที่ถูกรู้เป็นร่างในวงเล็บสรีระเป็นโฉมในวงเล็บในวงเล็บสรีระเป็นโครงร่างในวงเล็บสรีระก็เห็นเหมือนดินเห็น เหมือนเห็นดินเห็นน้ำเห็นก้อนเห็นแท่งเห็นแสงเห็นสีเห็นรัศมีมีเสียงเหมือนหูได้ยินมีกลิ่นเหมือนจมูกได้กลิ่นมีรสเหมือนลิ้นเด้สัมผัสมีเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเหมือนได้เหมือนการกระทบกับสิ่งภายนอกอยู่ทีเดียวซึ่งเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งเป็นอัน ที่เหมือนสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสทุกอย่างหรือสัมผัสทุกสิ่งอย่างภายนอกกันเลยไม่ว่าจะหลับตาเข้าไปในผวังก็ปรากฏภาพมีรูปที่มีแท่งมีก้อนมีเส้นมีเสียงมีสีมีร่างมีโฉมของผีของเทวดากันจริงๆจังๆมีรูปโฉมนมพันเป็นตัวเป็นตนไม่ว่าจะลืมตาเห็นปรากฏกันอยู่ภายนอก เช่นเห็นเปรตมีร่างตัวสูงใหญ่พุงโตปากเล็กจู๋แขนยาวคว้าเอานั่นเอานี่สารพัดหรือเห็นเทวดาทรงเครื่องแต่งกายมีสังวานเพชรบูบวาปเต็มตัวเหาะได้ลอยได้จะไปไหนไหนได้ตามใจนึกคิดอยากได้อะไรอยากกินอะไรก็ผุดเกิดขึ้นมาให้กินให้ได้ตามต้องการทุกอย่างเป็นต้น เห็นเป็นภาพเปรตภาพเทวดาในจิตที่อยู่ในพวังภายในใจปรากฏมีสีมีเส้นมีเสียงมีรูปเป็นรูปเป็นร่างบ้างมีเสียงร้องโหยหวนบ้างหัวเราะรื่นเริงบ้างมีขอบมีเขตเป็นโฉมเป็นทรงบ้างมีกลิ่นเหมือนมีมีมีกลิ่นเหม็นบ้างหอมบ้างให้ผู้มีตาทิพย์เห็นเปรตเห็นเทวดานั้นจริง ซึ่งก็เรียกกันว่าเป็นรูปทิพหรือเป็นกายทิพแล้วนับถือผู้มีความสามารถมีความเก่งเห็นรูปทิพกายทิพนั้นว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เดช ท, ทางสมาธิขั้นมีตาทิพจึงเป็นผู้เห็นรูปร่างทิพกายทิพนี้ได้โดยจะเห็นกันในตอนจิตมีสมาธิหรือยิ่งหลงกันว่าเป็นผู้เก่งมากถ้าเห็นได้เสมอเมื่อใดก็ได้ ตอนหลับตาเป็นผวังก็เห็นได้ลืมตาก็เห็นได้เกิดการเห็นปรากฏขึ้นในตาทิพนั้นเชื่อกันอย่างนี้คนมีตาทิพจะเห็นรูปร่างหรือสรีระของวิญญาณผีวิญญาณเทวดากันอย่างนี้จริงๆเห็นจริงๆโดยการเห็นการสัมผัสนั้นมีแต่เพียงภาวะร่างที่เป็นส่วนของรูปธรรมรูปธรรมแค่นั้น เพราะความรู้ผู้นี้มีว่าความเป็นกายก็แค่รูปธรรมเท่านั้นไม่มีส่วนของนมามธรรมเทวนิยมเห็นผีเห็นเทวดากันอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนที่ได้ภาวะเช่นนี้ว่าได้มโนมยอัตตาในวงเล็บมโนมยอัตตาปฏิลาโภในวงเล็บมโนมยอัตตาปฏิลาโภ เท่ากับตัวตนที่สาเร็จด้วยใจพระไตรปิฎกเล่มเก้าข้อสามร้สองการเห็นแค่เพียงรูปร่างโครงร่างเท่านั้นก็เท่ากับผู้นี้เห็นกายสังขารได้เท่านี้ดังนั้นการเรียนรู้การเห็นการเรียนรู้จากการเห็นของผู้นี้จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสังขารของกายได้แค่เรื่องของ วัตถุธาตุหรือรูปธาตุเท่านั้นซึ่งเป็นความรู้ผิดไปคนละทิศหันไปคนละทางในความหมายของคาว่ากายเลยชนีแลคือผู้ยังอวิชชาในวงเล็บมีความไม่รู้ในความเป็นสังขารเพราะรู้และเชื่อแค่ว่าภายนอกเท่านั้นเป็นกายไม่เกี่ยวกับใจนั่นคือความรู้ของตนจำกัด ความเป็นกายเสียแล้วว่ามีแค่ <c oughs> รูปธาตุรูปธรรมเท่านั้นไม่เอาหรือไม่รู้ว่ากายนั้นเกี่ยวกับนามธรรมด้วยซึ่งเกี่ยวกับนามธรรมอย่างยิ่งสำคัญกว่ารูปธรรมยิ่งเพราะมโนหรือนามธรรมเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงความเป็นกายจึงขาดนามธรรมไม่ได้เด็ดขาดในการศึกษาพุทธธรรมเพราะ สมุททยอริยสัจที่คนควรรู้ยิ่งเพื่อศึกษาพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะขั้นโลกุตระที่จะมีผลนิพพานผู้ใดกำหนดรู้กายเรียนรู้กายแค่รูปธรรมเท่านั้นก็รู้จักรู้แจ้งแค่รูปธรรมจึงยังไม่สามารถมีวิชาที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายสังขารมากกว่านี้ก็ได้แค่นี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณต่อต่อไปจนครบดังนั้นความไม่รู้ในวงเล็บอวิชาเป็นปัจจัยก็จะรู้การปรุงแต่งกันอยู่ในวงเล็บสังขารแค่ที่ตนยึดนั้นทั้งที่การปรุงแต่งกันอยู่ในวงเล็บสังขารมีปัจจัยมีธาตุรู้ในวงเล็บวิญญาณจึงรู้ได้เพียงเท่านั้น ซึ่งก็เนื่องมาจากยังไม่ได้เรียนรู้กายหรือองหรือองประกอบที่เป็นนามธรรมตามที่มีองค์ประกอบในองเล็บกายอยู่ด้วยแต่ตนเองมีความรู้ผิดในองเล็บมิจฉาทิฐิก็เลยเรียนรู้กันไปแบบผิดผิดปฏิบัติผิดผิดอยู่แค่นั้นกันเมื่อยังมิจฉาทิฐิก็อาวิชาอยู่อวิชาในองเล็บความไม่รู้ อันเป็นปัจจัยของสังขารจึงยังไม่รู้จักรู้แจ้งจึงยังไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงกายสังขารเพราะสำคัญผิดความเป็นกายว่าเป็นแค่ร่างก็มีความรู้ตามที่ตนเองยึดถืออยู่เท่านั้นก็มีความ ก็มีความรู้ตามที่ตนเองยึดถืออยู่นั้นเท่าที่ตนเองยึดตนเองก็กําหนดรู้กายแค่รูปเท่านั้นก็ย่อมได้รู้ในวงเล็บวิชาแค่นั้นและย่อมไม่รู้ในวงเล็บอวิชายิ่งกว่านั้นนี่ก็จริงแท้ผู้นี้ก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบถ้วนในความเป็นกายกายสังขารที่เป็นองค์รวมของนามและรูป เมื่อยึดเอาแค่ร่างก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายยสังขารได้แค่รูปธรรมเพราะยังมิฉาทิฏฐิอยู่ในความเป็นกายว่าหมายถึงเพียงแค่รูปธรรมเท่านั้นไม่มีนามธาตุร่วมจึงรู้ได้แค่ตามที่ตนยึดนี้แหละไปตลอดกาลก็อวิชชาตลอดอีกนานกายยสังขารจึงได้แต่เห็นรูปเท่านั้น ความรู้เรื่องสังขารก็มีวิชาเท่านี้คนผู้นี้ยังไม่ได้เรียน ล, ลึกซึ้งอย่างรู้เข้าไปถึงกายสังขารที่เป็นส่วนของจิตวิญญาณจึงคงอวิชาในสังขารส่วนที่เป็นนามนี้คือผู้มิจฉาทิฐิที่เริ่มต้นแม้แต่ในคำว่ากายจึงเป็นผู้ไม่พ้นอวิชาตั้งแต่ความเป็นสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยของอวิชชาก็ชื่อว่าผู้อวิชชาอยู่แท้เป็นผู้ไม่รู้ไปตั้งแต่ไปแต่ต้นของปฏิจจสมุปบาทกันเลยทีเดียวผู้นี้ปฏิบัติธรรมก็เป็นอันไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงความเป็นปฏิจจสมุปบาทต่อจากสังขารไปอีกทั้งสายที่เป็นอิทัพปฏิยตาที่เป็นอิทัพ ปัจจยตาคือเป็นธรรมที่จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงปัจจัการของภาวะแห่งธรรมต่างๆไปเป็นลำดับลำดับต่อเนื่องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันและกันตลอดสายเมื่อผู้ใดมิจฉาทิฐิแล้วเช่นนี้ผู้นั้นก็ผิดไปแต่ต้นแม้จะปฏิบัติธรรมให้เคร่งครัดอุตสาหายิ่งยอดปานใดก็ตาม หากมีทิฏฐิแค่คำว่ากายก็มิฉาทิฏฐิเสียแล้วการปฏิบัติต่อความเป็นสังขารก็ต้องอวิชชาอยู่ตลอดแล้วจะบรรลุผลธรรมเป็นพุ ท, พทธสัจจะได้อย่างไร <c oughs> แม้จะนึกว่าตนบรรลุมักบรรลุผลก็บรรลุมิฉาทั้งมักทั้งผลแน่นอนเพราะผู้นี้เข้าใจคำว่ากายนั้น มันเพียงแค่รู ป, ปราธาตุรู ป, ปรธรรมไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่ากายนั่นคือองค์ประชุมของทั้งรูปและทั้งนามด้วยไม่ใช่มีแต่แค่รูปเท่านั้นในอาณาปานสติสูตรนั้นคิดให้ดีเถิดพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ285พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเริ่มตั้งแต่ว่าหมู่ทรงทั้งหลายของพระองค์นั้นมีตั้งแต่ 1. ผู้เป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจาร์แล้ว ส, ส, สิ้นสัญ ญ, ญาตแล้ว 2. เป็นผู้อุ ป, ปาติกะในองเล็บพระอนาคามีเพราะสิ้นสัญญาตส่วนเบื้องต่ำทั้งห้าในองเล็บสกยตทิฏฐิวิจิกิชฉาศิละตะตปรามาตกรรมราคะปฏิฆะ จะได้ปริณิพานในโลกนั้นๆ 3. ผู้เป็นพระสกทะ 3. ผู้เป็นพระสกิทาคามีเพราะสิ้นสัญญยดสามอย่างในวงเล็บสกยาทิฐิวิจิกิจชาสีลพะตะปรามาตและเพราะธรรมราคะและเพราะธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางมาอย่างโลกนี้อีกคราเดียวเท่านั้น จึงจะทำที่สุดแห่งทุกได้ 4. ผู้เป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสัญญาณสามอย่างในองเล็บสกยตทิฏฐิวิจิกิชฉาศิลพะตะประมามาดมีอันไม่ตกอบายเป็นธรรมดาแน่นอนจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าในองเล็บนั้นคือบุคคลสที่มีมรรคผลเป็นโลกุตระ 5. ผ, ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐานซอยูใ่ในวงเล็บเริ่มโพธิปัขิยธรรมในวงเล็บเริ่มโพธิปัจญยธรรมเท่ากับโลกุตระ 6. ผู้ประกอบ 6. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสัมมาปัฏฐานซอยู่ในวงเล็บคือโลกุต ร, ระในโพธิปัขิยธรรม 7. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอิธิบาท4ีอยู่ในวงเล็บคือโลกุตระในโพธิปัจขิยธรรม 8. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอินสี่ห้าอยู่ในวงเล็บคือโลกุตระในโพธิปัจขิยธรรม 9. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญพระห้าอยู่ในวงเล็บคือโลกุตระในโพธิปัขิยธรรมสิบ ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญโพชฌงเจ็อยู่ในองเล็บหลักกตระในวงเล็บหลักโล ก, กุตระอันเอก11ผู้ประกอบ11ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมักมีองค์8อยู่ในองเล็บหลักโล ก, กุตระอันเอกในองเล็บนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37อย่างสัมมาทิฏฐิ ขั้นไปเป็นขึ้นไปเป็นลําดับลําดับสิองผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญเมตตาอยู่ในวงเล็บเริ่มพรหมวิหารเท่ากับมีใจเห็นแก่ผู้อื่น13ามผู้สิ 13. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญกรุณาอยู่ในวงเล็บลงมือช่วยผู้อื่นที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สิบส ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมุทิตาอยู่ในวงเล็บยินดีด้วยกับผู้พ้นทุกข์แล้ว 15. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอุเบกขาอยู่ในวงเล็บวางใจเฉยทวางใจเฉยกับการทำดีแล้วนั้นจบในวงเล็บถ้าผู้ปฏิบัติยังไม่สัมมาทิฏฐิปฏิบัติพรหมวิหารนี้ก็จะได้พรหมวิหาร4ี่เป็นแค่บัญญัติ แต่หากผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจะเกิดสัมมปัญญา4นี้ไปด้วยจนจนสมบูรณ์นั่นคือมีปัญญารู้แจ้งสาระแห่งภาวะของเมตตาของกรุรณาของมุติตาของอุเบกขาที่เป็นปารมัตถธรรมแท้ 16. ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอสุภาสัญญาอยู่ ในวงเล็บให้เห็นแจ้งความไม่น่าชื่นชม 17. ผู้ประกอบความเพียรในอันจเจริญอันนี้จะสัญญาอยู่ในวงเล็บให้เห็นแจ้งความไม่เที่ยงในวงเล็บผู้ไม่สัมมาทิฏฐิเช่นเข้าใจความเป็นกายแค่ว่าหมายถึงมหาปุตรรูปภายนอกเท่านั้นปฏิบัติสัญญาสองนี้นานหรือมากปานใด ก็จะได้แค่ตักกะได้แค่สมถะไปตลอดไม่บรรลุมรรคผลแต่หากผู้ใด้สัมมาทิฏฐิก็จะได้อธิปัญญาได้วิปัสนาวิชาได้บรรลุมรรคผล 18. ผู้ประกอบความเพียรในอันจเจริญอาณาปานาสติอยู่ในวงเล็บให้เห็นแจ้งโลกุตระในวงเล็บตั้งใจพิจารณาทำความเข้าใจไปกับคำตรัสให้ดีๆ <c oughs> ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุที่เจริญอาณาปานาสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบาเพ็ญสติย่อมบำเพ็ญสติปทานสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญ สติปฐานสี่แล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเ พ, พ็ญโพชฌงเจตให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่จเจริญโพชฌงเจตแล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูกระระภิกษุทั้งหลายก็อานาปานาสติอันภิกษุจเจริญแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากดูกระระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ในโคนไม้ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดํารงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอาตมาขอพักคําตรัสของพระพุทธเจ้าไว้แค่นี้ก่อนขอแวะอธิบายแทรกตรงนี้แหละ ที่จะทำให้เข้าใจในยศสาคัญได้ชัดเจนคําว่าก็ดีที่ต่อท้ายคําว่าอยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่เรือนว่างนี่แหละที่เป็นตัวไขว่าพระพุทธเจ้าทรงมีในยศสาคัญที่ต้องพูดกับผู้ปฏิบัติขณะนั้นซึ่งอยู่ในป่ากันทั้งนั้นเพราะยุคนั้นหลงยึดถือปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงต้องตั้งใจทําความเข้าใจกันดีๆ คำว่าก็ดีนี้ท่านแปลมาจากบาลีคือคาว่าวาอันหมายถึงหรือก็ได้หมายถึงว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้อย่างนั้นก็ได้หรือเป็นเช่นนี้ เป็นเช่นนี้หรือไม่เช่นนี้ก็ได้ในที่นี้ก็คืออยู่ในอยู่ป่าก็ดีหรืออยู่กรุงก็ดีนั่นเองได้ทั้งนั้นก็ปฏิบัติให้เข้าไปสู่ปรมัธิธรรมให้ได้เช่นเดียวกันทั้งนั้นเพราะขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสความนี้มันเป็นขณะที่พากันหลงออกไปอยู่ป่ากันแล้ว เหมือนชาวพุทธปัจจุบันนี้นั่นแหละที่หลงผิดว่าปฏิบัติธรรมชนิดเอาจริงเพื่อบรรลุนิพา น, นั้นต้องหนีออกไปอยู่ป่าต้องปรีกอยู่แต่ผู้เดียวต้องหนีออกจากหมู่ซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสที่ตรัสว่าป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียว ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ99อุปาลิสูตรและหรือแย้งกับพระอนุสาสนีที่ว่าการมีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งเวทล้อมดีนั้นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์อันเป็นทั้งนิพพานด้วยนะผู้ต้องการรู้เรื่อง ผู้ต้องการรู้เรื่องว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาที่ปฏิบัติหนีออกไปอยู่ป่าก็หาหนังสือป่ากับศาสนาพุทธอ่านดูเถิดจะรู้ละเอียดกว่านี้จะรู้ละเอียดกว่านี้ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแท้นั้นไม่ต้องออกไปอยู่ในป่าอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างหลับตาปฏิบัติเข้าไปอยู่แต่ในผวังอย่างนั้นเลย ปฏิบัติได้ทุกขณะทุกสถานที่ทุกกรรมกิริยาที่เป็นอยู่ในชีวิตสามัญปฏิบัติได้สมบูรณ์ที่สุดอยู่กับหมูเรียนปริยัตและปฏิบัติมีการขัดเกลากันและกันนั่นคืออยู่กับหมูนี่แหละจึงจะมีสันเลขธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยมีคำต่อท้ายว่าก็ดีอยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้อยู่ในเรือนว่างที่หลบเลี่ยง ออกมาหาที่สงัดปฏิบัติกันได้อย่างนี้ก็ดีหรือจะอยู่ในสังคมเมืองมีการสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสังคมปกติสามัญในชีวิตก็ดีก็ต้องปฏิบัติให้ได้เข้าไปถึงปรมาถ ธ, ธรรมคือถึงจิตอย่างสัมมาทิฐิจึงจะเป็นการทำใจในใจในวงเล็บมนาสิกานสามารถพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตธทรรมในธรรมมีมัชมีผลกันแท้ซึ่งในยุคที่พระพุทธเจ้ากำลังประกาศศาสนาของพระองค์อยู่นั้นคนยุคนั้นเขาเชื่อกันอย่างนี้เขาเชื่อกันอย่างนั้นเชื่อว่าต้องออกไปปฏิบัติในป่าในที่สงบสงัดหลบลี้หนีสังคมแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ก็ยังต้องหลงไปเป็นลิงลมอมข้าวพองตามยุคนั้นเขา้าคือหลงเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมให้บรรลุนิพพานนั้นจะต้องหาสถานสถานที่ส ง, สงบในปา่าในเรือนว่างเป็นต้นต้องหลบหนีออกจากการสัมผัสสัมพันธ์กับสังคมไปปฏิบัติกันในที่เงียบที่สงัดพระองค์จึงตรัสไปตามสภาพที่มันเป็น พระองค์จึงตรัสไปตามสภาพที่มันเป็นกันอยู่อย่างนั้นตามยุคนั้นสมัยนั้นเป็นกันที่ต่างลงยึดมั่นถือในกันอย่างนั้นที่ต่างก็ลงยึดมั่นถือในการอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีในวงเล็บว่า หรือในวงเล็บว่าอยู่ในหมู่คนนั่นคือแม้จะปฏิบัติกันอยู่ในป่าก็ดีหรือไม่อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรือไม่อยู่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดี หรือไม่อยู่ในเรือนว่างก็ดีซึ่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ดําเนินทางผิดไปปฏิบัติในป่านี้มีตรัสไว้ยืนยันในพระไตรปิฎกเล่ม 32- มสิข้อสามตรวจสอบดูได้ว่าพระองค์ต้องไปทนปฏิบัติผิดอยู่ถึง6ปีในป่านั้นก็เป็นวิบากของพระองค์ต้องไปชดใช้หนี้วิบาก และท่านก็ตรัสํำชับไว้ชัดเจนก็ตรัสไว้และท่านก็ตรัสํำชับไว้ชัดว่าท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางนี้เพราะทางนี้เป็นทางผิดในองเล็บกุมัคคะกุมัคคะและแท้แท้แบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ของพระองค์นั้น ไม่ต้องอย่างนั้นเลยอาตมาก็ได้เอาสูตรเอาหลักฐานต่างๆมายืนยันแล้วปฏิบัติได้ทุกขณะทุกสถานที่ทุกกรรมกิริยาที่เป็นอยู่ในชีวิตสามัญกล่าวคือทุกขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจเข้าในวงเล็บอาณาลมหายใจออกในวงเล็บอาปาณะอยู่ตราบใดชีวิตยังไม่ตายนั้น ต้องมีสติเป็นสำคัญในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นต้องมีสติปฏิบัติสติปทานสและต้องปฏิบัติสมะปทานสปฏิบัติด้วยอิทิบาสีอยู่ตลอดปฏิบัติกายขาก็ต้องมีสติปฏิบัติอาณาปฏิบัติอาณาปานะก็ต้องมีสติซึ่งมีการปฏิบัติสติปฐานสอันเป็นภายในได้แก่ พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำรรในธรรมอยู่ตลอดที่มีชีวิตปกติด้วยโพชดชงสามคือสติธรรมวิจัยวิริยะผลที่ได้ก็จะเกิดสัมโพธชงเจ็ไปตามลําดับครบปิติสัมโพธชงปสติสัมโพธชงสมาธิสัมโพธชงและที่สุด อุเบขาสัมโพชงและมีทั้งปฏิบัติสติปัฏฐาน4ไปกับการปฏิบัติภายนอกคือตลอดเวลากับขณะที่ต้องมีส ม, มปทาน4ได้แก่ต้องภาคเพียรในการสารวมอินทรีย์หในวงเล็บสังวนประธานต้องภาคเพียรในการประหารประธานการประหารกิเลสให้ได้เสมอในวงเล็บประหารประธาน ต้องภาคเพียรในการปฏิบัติจนเกิดผลธรรมให้ได้เสมอในวงเล็บภาวนาประธานต้องภาคเพียรในการรักษาผลธรรมที่ได้นั้นให้มั่นคงยั่งยืนในวงเล็บอนุรักษนาประธานจนเด็ดขาดสมบูรณ์โดยมีอิทิบาสีเป็นพลังเป็นแรงกลขับเคลื่อนการปฏิบัติสติปฐานสและสมประทาน 4, สี น, 4, นั้นให้เกิดผลธรรมเป็นอินทรีห้าในวงเล็บศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาที่สุดก็จะบรรลุสูงถึงขั้นปลายพระห้าในองเล็บศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นปฏิบัติอยู่บนหลักมรรคอันมีองค์ดทั้งหมดนั้นปฏิบัติอยู่บนหลักมรรคมีทั้งหมดนั้นปฏิบัติอยู่บนหลักมรรคอันมีองค์8ซึ่งวิธีปฏิบัติคือ มรรคเจ็ดองในองเล็บสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและจะเกิดผลเป็นสัมมาสมาทิอันเป็นองค์ที่8ของมรรคก็ครบโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเป็นโลกุตรธรรมตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม31ข้อ620แต่นั่นแหละศาสนายืนยาวมานานจนปัจจุบันนี้ความเสื่อมของศาสนาจะเกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพ ย, พยากรไว้ในอาณีสูตรในวงเล็บ เรือตโพนอนกะเคยอ้างอิงมาแล้วเรือตะโพนอนกะเคยอ้างถึงมาแล้วมันก็มีอนิจจังเป็นสามัญยะมันก็มีอนิจจังเป็นสามั ญ, ญลักษณ์แท้จริงจึงทําให้ชาวพุทธหลงผิดไปเชื่อเอียงตรงไปข้างว่า การปฏิบัติธรรมที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นนิโรธหรือถึงนิพานนั้นจะต้องเป็นสมาธิที่ต้องไปปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในโคนไม้อยู่ในเรือนว่างโดยนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงํำลงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าแล้วมีการทำใจในใจในองเล็บมณสิการกันตอนเข้าไปอยู่ในผวังนี้แหละ ที่หลงกันว่าเป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าซึ่งการเข้าใจอย่างนี้อาตมาก็ต้องบอกด้วยใจจริงและขอยืนและขอยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิอันเป็นแบบฉบับอันเป็นอันเป็นแบบฉบับเฉพาะของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธเท่านั้นในวงเล็บผู้สนใจดูได้ ในพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ2 5 2ถึง281มหาจัตตารีสกสูตรแต่สมาธิแบบนี้ก็เป็นอุปการะมากถ้าเข้าใจดีแล้วปฏิบัติสมาธิแบบนี้อย่างสัมมาทิฏฐิย่อมมีการเสริมช่วยอีกส่วนหนึ่งย่อมเป็นการเสริมช่วยอีกส่วนหนึ่งสมาธินั่งหลับตา เข้าไปทำใจในใจสมาธินั่งหลับตาเข้าไปทำใจในใจในผวังนี้เป็นสมาธิทั่วไปเป็นสมาธิสามัญที่รู้กันเป็นสมาธิสามัญที่รู้กันอยู่ทั่วฝึกกันทํากันได้ดื่นดาสามันไม่เห็นจะคำเพีราในองเล็บลึกซึ้งทุตสาในองเล็บเห็นตามได้ยาก ทุรนุโพธาในองเล็บรู้ตามได้ยากอะไรเลยแต่สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งในวงเล็บคำเพีราเห็นตามได้ยากในองเล็บทุทธสารู้ตามได้ยากในองเล็บทุรนุโพธาสันตาในวงเล็บสงบอย่างลึกล้ำพิเศษปณีตาในองเล็บสุขุมอตตกาวจาราในองเล็บ รู้ด้วยตั ก, กะหรือการคาดคะเนไม่ได้นิปุนาในองเล็บละเอียดขั้นนิพพานบัณฑิตเทเวท尼亚ในวงเล็บลนนบัณฑิตจริงเท่านั้นจะรู้บัณฑิตตะเวทน尼亚ในองเล็บบัณฑิตจริงเท่านั้นจะรู้สัมมาสมาธิจึงเป็นสมาธิพิเศษมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น วิธีปฏิบัติในองเล็บมรกก็ดีผลที่ได้ก็ดีของสั ม, มาสมาธิเป็นอย่างหนึ่งแตกต่างจากสมาธิแบบทั่วไปสามัญซึ่งมีวิธีปฏิบัติในองเล็บมรกก็ดีผลที่ได้ก็ดีของสมาธิทั่วไปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งสมาธิทั่วไปก็นั่นแหละที่มีวิธีปฏิบัติอยู่ในป่าก็ดี อยู่ในโคนไม้ก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนี้เองที่ทําให้คนผู้มีความเชื่อเอียงตรงไปข้างว่าการปฏิบัติธรรมที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิเป็นนิโรธหรือถึงนิพพานนั้นจะต้องเป็นสมาธิที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในโคนไม้อยู่โคนไม้อยู่ในเรือนว่างโดยนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดํารงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าและผู้ยังไม่สมมาธิทฐิในสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติสมาธิหลับตาเข้าไปในผวังนี้จะไม่รู้จักรู้แจ้งความเป็นกายอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จึงไม่สามารถจะสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอย่างมีมรรคผลแน่เพราะจะไม่สามารถรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์อปปปาติกะที่เป็นเทวดามารในองเล็บผีพรหมอย่างเป็นปรากฏการที่สมาธิฏฐิได้จริงตรงตามคําสอนของพระบรมศา ส, สดาของพุทธซึ่งผู้สมาธิฏินั้นสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์อปปปาติกะที่เป็นเทวดามารในองเล็บผีพรหม อันมีกายของความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณในวงเล็บสัตว์อปปัติกะให้ผู้ปฏิบัติจับมั่นคันตายมีปรากฏการความเป็นกายสัตว์นั้นๆสัมผัสในขณะมีวิญญาณถีติในวงเล็บวิญญาณของสัตว์นั้นๆตั้งอยู่ในจิตขณะปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติสัมผัสกันจริงๆและรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันชอบยิ่งในวงเล็บ สัมมาปัญญาเพราะเป็นสมาธิแบบลืมตาสมาธิที่ใช้วิธีปฏิบัติด้วยมรจิตองค์ซึ่งปฏิบัติขณะมีการนึกคิดอยู่ในปกติในชีวิตปกติสามัญ น, นี่แหละจึงทำสมาธิมีมกมีผลซึ่งปฏิบัติขณะมี การนึกคิดอยู่ในชีวิตปกติสามัญ น, นี่แหละจึงทำสมาธิมีมรรคผลในวงเล็บสัมมาสังกัปปะเพราะปฏิบัติในขณะมีวิญญาณถีตินั่นคือปฏิบัติขณะที่มีตาสัมผัสรูปเกิดจกักขวิญญาณในองเล็บวิญญาณทางตาหูสัมผัสเสียงเกิดโสตะวิญญาณในวงเล็บวิญญาณทางหูจมูกสัมผัสกลิน่น เกิดขานะวิญญาณในองเล็บวิญญาณทางจมูกลิ้นสัมผัสรสเกิดชิวหาวิญญาณในองเล็บวิญญาณทางลิ้นกายสัมผัสภายนอกเกิดกายยวิญญาณในวงเล็บวิญญาณทางกายการเกิดของวิญญาณอย่างนี้เองที่เป็นกายของความเป็นสัตว์โอปปปฏิกะคือวิญญาณสัตว์ทางจิตที่เกิดภาวะของจริงปรากฏให้เห็นหลัดหลัตงๆในขณะที่มีสัมผัสสาม ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ161วิญญาณทีติอันจะได้เรียนรู้จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสัตว์ในจิตใจของเราที่เป็นเทวดามารในวงเล็บนรกพรหมผู้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงจึงชื่อว่าตาทิปแบบอนุสสนีปฏิหาร ซึ่งเห็นในองเล็บปัสติด้วยความเป็นอุ ป, ปาทายรูปคือรูปที่เป็นสิ่งถูกรู้ด้วยนามในวงเล็บธาตุรู้ของเราเองอันเกิดจากสัมผัสสามตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ตรงเพราะอนุสาสนีถูกต้องแท้จริงตามที่พระพุทธพระองค์ทรงสอน เรียกว่าภาวะรูปซึ่งตามเรียกว่าภาวะรูปซึ่งตามป ร, ร, าา ร, ปา ม, ปรมาทัตก็มีสองลักษณะในองเล็บ อ, อิทธินีหรือปุริสินีที่เป็นชีวิตรูปให้เรารู้ด้วยวิญญาณถีติคือมีวิญญาณเกิดอยู่หลัดลัดตั้งอยู่ในใจของเราณบัดนี้ ต, ต้องมีความเป็นอยู่ ความดำรงอยู่ในวงเล็บถีติของสัตว์ทางจิตในวงเล็บโอปปฏติกสัตว์ที่มันเกิดขณะมีเหตุมีปัจจัยคือมีตากระทบสัมผัสกับรูปเป็นต้นจึงเกิดวิญญาณของความเป็นสัตว์เพราะผู้นั้นยังมีอวิชชาก็ยังไม่หมดสิ้นความเป็นสัตว์ในจิตใจของเรา เราก็จะต้องปฏิบัติกำจัดความเป็นสัตว์ให้หมดไปให้ตายไปจากจิตของเรากระทั่งพ้นสังโยชน์ไปตามลำดับเป็นที่สุดให้ได้ใจเราจึงจะพ้นวิญญาณของความเป็นสัตว์คือพ้นสตาวาสเก้าเป็นมนุษย์จริงหรือเป็นพรหมแท้สมบูรณ์ตามความเป็นศาสนาพุทธที่ถูกตรงพระธรรมคาสอน อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบสัตว์อย่างนี้แหลคือสัตว์ที่เกิดแบบโอปปติกะโยนิอันเป็นการเกิดของสัตว์แบบหนึ่งการเกิดทางจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงการเกิดสี่แบบในวงเล็บอีกสามแบบนั้นก็คือชลาพุชชะโยนิชลาพุชชโยนิอันทชะโยนิสังเสรทชะโยนิ อย่างนี้คือแบบที่เกิดทางจิตใจที่มีอยู่จริงขณะที่มีสัมผัสของตากับรูปหรือหูกับเสียงอยู่แท้ๆเป็นต้นเกิดวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นของจริงปรากฏด้วยการเกิดวิญญาณสัตว์ในวงเล็บชาติในใจของเราในใจเราขณะสัมผัสอยู่นี้โทนโธ ให้เราจัดการทำใจในใจที่เป็นสัตว์ในวงเล็บมณสิกรโรติให้หมดชีวิตตินสีให้ได้ซึ่งมีแค่อาการให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จ ร, จงรจิงได้ในวงเล็บอาการดิงฆะนิมิตอุเทศพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อหสและรูปของความเป็นสัตว์ที่เราเห็นในวงเล็บปสติอยู่หลัดหลดนั้นก็เป็นรูปที่ไม่มีร่างในวงเล็บสรีระ แต่เป็นภาวะที่เห็นด้วยอาการที่เคลื่อนไหวในวงเล็บบิญญยัิอยู่ในใจของเราเป็นภาวะรูปซึ่งมีสองลักษณะในอุปาทยรูป24การปฏิบัติมรรคเจองค์ซึ่งในการปฏิบัติขณะมีความนึกคิดคือสังกปะกระบวนการของจิตในขณะมันปรุงแต่งกันอยู่เป็นความนึกคิดนั้นเราก็จะต้องเห็นจิตในจิตของเราและสามารถแยกแยะวิจัยวิจารมันได้ว่า มันปรุงแต่งในวงเล็บสังขารกันเป็นอารมณ์ขึ้นมาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีมันมีอะไรบ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันต้องมีปัญญาอ่านรู้จริงๆตั้งแต่เริ่มความดำริคือตกกะเกิดขึ้นในใจเมื่อเราปฏิบัติสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตในจิต ที่มันปรุงแต่งกันอยู่ในวงเล็บสังขารเราก็ตรวจว่าเราก็ตรวจว่าในจิตรเราขณะนั้นเราจะใช้ฝึกสัญญากำหนดหมายรู้ในสังขารนั้นว่ามีความเป็นกามหรือพยาบาทอันเป็นมิจฉาสังกปะร่วมปรุงแต่งอยู่ในจิตขณะนั้นหรือไม่อย่างไรมิจฉาสังกปะมีสาคือกาม พยาบาทวิหิงสาเราเริ่มเรียนรู้กิเลสหยาบก่อนคือกามหรือพยาบาทแล้วจัดการกำจัดกิเลสเบื้องต้นนี้ให้ได้ไปตามลำดับเมื่อเราจับตัวตนของกิเลสได้ก็นี่แหละคือสมุทัยอริยสัจก็เป็นอันเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอัตตาในองเล็บตัวตนที่เรียกว่าสักกายะ ในองเล็บตัวตนของตนได้ว่าเป็นกามหรือพยาบาทซึ่งพยายามจับให้ได้ไล่ให้ทันตั้งแต่มันเริ่มดำริในใจขึ้นมาเรียกว่ารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตักกะแล้วมีการจัดการปรับปรุงใจในใจของตนในองเล็บมนุิการการทำใจในใจถึงขั้นบุญก็เป็นการทำใจในใจตนมีผล ในวงเล็บอภิสังขารเรียกว่าปุญญาภิสังขารหรือเรียกว่าการวิจัยวิจารในใจหรือเรียกว่าการวิจัยวิจารใจในใจของตนขั้นสามารถจัดการกามตกะให้ใจที่มีการปรุงอยู่ในใจดำรินั้นลดลงได้ใจที่มีกามนี้แล คือสัตว์ที่ต้องกําจัดในใจเราสัตว์ที่ต้องกําจัดจากใจเราสัตว์ทางใจที่ชื่อว่าผีแท้ๆซึ่งเราก็ต้องจัดการให้หมดสนิทจากใจจึงจะเป็นการทำใจในใจของเราสำเร็จเมื่อวิตกวิจัยวิจารใจในใจตนมีผลก็เรียกผลนี้ว่าวิตตักกะหรือภาษาที่เราคุ้นหูก็คือ วิตกนั่นเองและอาการกิริยาของใจที่เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้นก็คือวิจาระวิจาระที่ผู้รู้แปลกันว่าการสืบสวนการไตร่ตรองการตรวจสอบการพิจารณาหมายถึงการวิจัยวิจารณเจตสิกที่ชื่อว่าตักกะอันอยู่ในองค์ธรรมเจ็ดตัว อ, อยู่ในองค์ธรรมเจ็ดตัวของสังกัปปะเจ็ดและจัดการทำใจมีผลจนสำเร็จเป็นวิจึงเกิดศัพท์ทางวิชาการว่าวิตกวิจารชื่อว่าทำฌานเป็นผลขั้นฌานหนึ่งนั่นคือการปฏิบัติของเราจเจริญถึงขั้นวิในองเล็บวิเศษแจ้งต่างไม่มี วิก็คือวิเศษถึงขั้นกิเลสไม่มีในใจดังนั้นคำว่าวิต ก, กะหรือวิตกที่คุณหูซึ่งอยู่ในองค์ธรรมเจ็ดของกระบวนการปฏิบัติการทำใจในใจในวงเล็บมนสิการให้เกิดผลสัมมาสังกัปปะได้แก่ต ก, กะวิต ก, กะสังกัปปะอปปนาพยปปนาเจตโสอภินิโรปนาวาจีสังขาร ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ263นั้นจึงหมายถึงจิตที่ได้ปฏิจิตที่ได้ปฏิบัติการเป็นผลลดละกิเลส ถ, ถึงหรือถึงขั้นดับกิเลสได้สำเร็จก็เรียกว่าวิตกะหรือเต็มเต็มก็คือวิตกวิจาร์อันเป็นผลเข้าขั้นฌานหนึ่งนั่นเอง วิตักกะอันเป็นคำสรุปสั้นๆไว้ในองค์ธรรมเจ็หรือเรียกในฌานหนึ่งว่าวิตกวิจารณ์ถ้าแปลกันอย่างถึงถึงสภาวะจริงเลยก็คือพฤติกรรมของจิตที่ได้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีผลวิเศษขั้นไม่มีกิเลสได้จริงได้อธิบายการปฏิบัติกันมาถึงบรรทัดนี้ผู้อ่านคงจะพอเข้าใจว่า การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิพอสมควรแล้วคงจะพอได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวดาหรือผีแท้ๆตามปรมัติ์นั้นคืออะไรอย่างไรจบในวงเล็บจบฉบับที่293 ได้อธิบายการปฏิบัติกันมาถึงบรรทัดนี้ผู้อ่านคงจะพอเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิพอสมควรแล้วคงจะพอรู้คงจะพอได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวดาหรือผีแท้ๆตามปรมัตน์นั้นคืออะไรอย่างไร เราสามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวผีตัวเทวดาแท้ๆในภาวะของจิตวิญญาณขณะปฏิบัติสัมมาสังกัปปะนี้เองเป็นปรัชาธรรมที่ปรากฏ ต, ตัวตนของผีของเทวดาให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันแท้ๆขณะนี้เรากำลังพิจารณาตัวตนของผีของเทวดาซึ่งผีก็ดีเทวดาก็ดี ก็เป็นเพียงจิตในจิตแท้ๆ ท, ที่เป็นองค์ประกอบของรูปนามในองเล็บกายอยู่ในใจเราที่ยังไม่ตายนี่เองเราช่ง <c oughs> เรายังมีชีวิตอยู่เป็นๆ น, นี่แหละเรายังมีชีวิตอยู่เป็นๆ น, นี้แหละกำลังทำอาชีพอยู่ในองเล็บอาชีวะปกติอยู่นี้หรือเรากำลังทำการทำงานใดอยู่ก็ดีในองเล็บกรรมตะ เรากำลังพูดอยู่ก็ดีในวงเล็บวาจาขณะที่มีกรรมกิริยาอยู่กับการทำอาชีพขณะที่มีกรรมกิริยาอยู่กับการทำอะไรอะไรอยู่ทุกอย่างขณะที่มีกรรมกิริยาอยู่กับการพูดเราก็ต้องใช้สติใช้ความคิดใช่ไหมเรากำลังมีความดำริในวงเล็บตักกะมีความนึกคิดอยู่ในวงเล็บสังกัปปะ ด้วยทุกกรรมกิริยาขณะนี้นี่แหละที่เรากำลังมี <c oughs> ที่เราก็กาลังมีสัมผัสภาวะที่กำลังร่วมอยู่กับอาชีพที่ทำขณะนี้อยู่ที่เรากำลังทาการทำงานอยู่ที่เรากำลังพูดอยู่ใช่ไหมเราต้องปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่อาตมากำลังอธิบายอยู่นี้คือการปฏิบัติตามมรรคองแปดตั้งใจฟังดีๆเราหลงผิดออกนอกทางพุทธกันมามากแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในการทำใจในใจให้ท่องแท้ในวงเล็บยุนิโสมณสิการและทำใจของตนอยู่เสมอๆให้ได้ด้วยความพยายาม แนวเล็บสัมมาวายามะด้วยความมีสติแนวเล็บสัมมาสติซึ่งจะต้องศึกษาให้สัมมาทิฏฐิมาก่อนให้ได้เพราะทิฏฐิเป็นประธานถ้าทิฏฐิผิดไม่สัมมาทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐิมาก่อนแล้วปฏิบัติการปฏิบัตินั้นมันก็ไม่มีทางบรรลุธรรมของพุทธเมื่อมิจฉาทิฏฐิมาก่อน ผลในการปฏิบัติของใครก็ตามที่ยังมิฉาทิฐิมันก็ออกนอกทางพุทธและมันก็ได้ออกกันมาไกลสุดกูแล้วเราต้องสัมมาทิฐิก่อนอื่นเพราะทิฐินี้แหละที่สำคัญที่สุดทิฐิคือความรู้ความเข้าใจความมีวิธีหรือปฏิบัติความมีวิธี หรือทฤษฎีปฏิบัติทิฏฐิเป็นประธานในการปฏิบัติแท้อย่างน้อยต้องมีสัมมาทิฏฐิ10ในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14มหาจัตตารีสกสูตรข้อ257ถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะปฏิบัติตามมรรคองค์8โดยการทำสมาธิด้วยการปฏิบัติมรรคองค์นี้แหละถูกต้องที่สุดจะไม่หลงผิดว่าจะไม่หลงไปผิด จะไม่ไปหลงผิดว่าการปฏิบัตินั่งหลับตาเข้าไปสกดจิตให้มันนิ่งๆอยู่ในผวังนั้นเป็นการทำสมาธิของพุทธแน่ <c oughs> <c oughs> จะไม่หลงจ ะ, จะไม่ไปหลงผิดว่าจะไม่ไปหลงผิดว่าการปฏิบัตินั่งหลับตาเข้าไปสกดจิตให้มันนิ่งๆอยู่ในผวังนั้น เป็นการทำสมาธิของพุทธแน่ๆฟังที่อาตมากำลังพูดให้ดีๆนะอาตมาไม่ได้ตีทิ้งการนั่งหลับตาทำสมาธินะถ้าส ม, มาธิฏฐิกันแล้วจะปฏิบัติอาณาปานาสตินั่งหลับตาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นแล้วกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นกายเหลือความเป็นกายอยู่แค่ลมหายใจก็ไม่ว่า แต่การจะเกิดสัมมาทิฏฐิแต่การจะเกิดสัมมาสมาธิของพุทธนั้นต้องมีวิญญาณที่ประกอบด้วยเจตสิกใหญ่3ในวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารครบสัง <c oughs> ครบขัน5ในวงเล็บรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จึงจะปฏิบัติสติปฐานสี่ได้บริบูรณ์ไม่ขาดสายจึงจะปฏิบัติสติปฐาน4ีได้บริบูบบรณ์ไม่ขาดกายเวทนาจิตธรรมครบรูปครบนามที่ปฏิบัติที่ปฏิสัมพัสในวงเล็บ Interactive กันอยู่ในพลวัตในวงเล็บได n a m ิก ของโพธิปักคิยธรรม37จึงจะเป็นโลกุตรธรรม37บรรลุโลกุตรธรรม9ไปตามลำดับได้บริบูรณ์สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม31ข้อ620หากขาดกายเวทนาจิตธรรมหรือขาดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันก็เห็นวิญญาณผีวิญญาณเทวดาไม่แท้ก็ไปเห็นในองเล็บปัสติแต่วิญญาณเทวดาวิญญาณผีที่เป็นแค่จากความคิดนึกจากความจํานั่นคือจากสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เห็นในองเล็บปสติวิญญาณผีวิญญาณเทวดาจากของจริงภาวะจริงที่มีองค์รวมหรือองค์ประชุมของความเป็นผี เ, เทวดาครบสมบูรณ์ครบบริบูรณ์ทั้งภายนอกภายในทั้งรูปธรรมและนมามธรรมในวงเล็บสัมผัสวิโมก8ด้วยกายครบเต็มรูปเต็มนามจึงจะมีรูป28และจิตและจิต89ดสเเจตสิกเป็นต้นให้เรารู้จักได้เรียนรู้ได้เรียนจนรู้แจ้งกระทั่งรู้จริง เป็นการรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงในองเล็บปัญญาการเห็นนี้จึงจะมีการเห็นความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาได้แท้ไม่ใช่แค่เห็นไไม่ใช่แค่เห็นด้วยสัญญาแค่นั้นถ้าแค่รู้แค่เห็นด้วยสัญญาก็รู้ก็เห็นแค่จากความจำไม่ใช่ความจริง หรือเห็นไม่เต็มความเป็นจริงดีไม่ดีไม่ใช่ความจริงเลยเป็นภาวะที่คิดปั้นหรือปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตอนเองอย่างนี้ก็มีกันมากหลากหลายเพราะยังไม่สัมมาทิฏฐิในการรู้การเห็นด้วยปัญญาคือการรู้เห็นความจริงแตกต่างกับการรู้การเห็นด้วยสัญญะสัญญะกันอย่างไร จึงเป็นความรู้ความเห็นแค่ขั้นเห็นขั้นรู้ตามทิฏฐิก็ยิ่งเห็นรู้ตามเหตุตามผลเท่านั้นเป็นแค่ความรู้เป็นความรู้แค่ตักกะลมๆแรงๆไม่มีภาวะใดเกิดจึงยิ่งไกลจากความจริงดังนั้นการเรียนสมาธิการปฏิบัติสมาธิให้รู้ เห็นความจริงตามความเป็นจริงของผีของเทวดาที่รู้เห็นแค่สัญญาอยู่ในภวงังหรือแค่ตักกะจึงเป็นการได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงรปรมาธธรรมที่ไม่บริบูรณ์ด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทีท่ครบครันด้วยจิตเจตสิกรูปในวงเล็บทั้งภายนอกภายในและทั้งรูปอรูป นิพพานตามที่พระศัสดาตรัสวิโมกแปดให้ศึกษาปฏิบัติดังที่อาตมากาลังอธิบายนี้เรากำลังทำสัมมาสมาธิด้วยการปฏิบัติตามทิฏฐิแห่งมรจ7องไม่ใช่ตามทิฏฐิแห่งการนั่งหลับตาเข้าไปทำใจในใจอยู่ในผวังหรือตามทิฏฐิแห่งการคบคิดเป็นสโลเป็นปริยาเป็นแค่ โกอานกันอยู่เท่านั้นและเราต้องปฏิบัติตามทิฏฐิที่เราได้เรียนรู้มาแล้วอย่างมีพฤติกรรมแห่งชีวิตจริงได้สัมผัสได้สัมผัสภาวะนั้นๆจริงครบกายเน่งเล็บองค์ประชุมของรูปและนามทั้งจากภายนอกภายในสำเร็จสำเร็จอริยาบทอยู่รู้เห็นขั้นปัญญา วมใช่แค่สัญญาแค่ทิฏฐิและครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงจะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงภาวะของสมาธิที่ชื่อว่าสัมมาส ม, มาธิด้วยการสัมผัสภาวะจริงของจิต89เจตสิกห้าในวงเล็บนามเจตสิกห้าในวงเล็บนามและรูป28สิบดเป็นต้น ที่เห็นภาวะการเกิดการดับแม้แต่ภาวะนิพพานจริงซึ่งเป็นปัญญาที่แตกต่างจากการนั่งหลับตาเข้าไปในภวังเป็นสมาธิแล้วจึงจะมีภาวะของปัญญาโผล่ผุดขึ้นมาเองในจิตขณะที่ปรสศจากนิวร์แล้วก็รู้อะไรต่ออะไรที่มีความลึกลับแปลกประหลาดได้ความรู้ที่โผล่ผุดขึ้นมาในจิต ที่ว่างจากนิวร5ตอนจิตเป็นสมถะแบบนี้แล้วก็ลงผิดว่าเป็นปัญญาโผล่ขึ้นมาเองเป็นธาตรู้ที่โผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมารู้อะไรต่ออะไรได้ขึ้นมาเองได้อย่างพิเศษแต่ไม่ใช่ความรู้ที่รู้อย่างอิทัิปัจยาตาซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เห็นจาก ซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงของรูปและนามของจิตเจตสิกรูปนิพพานตามที่ได้ปฏิบัติมาตามลำดับเป็นลำดับลาดับด้วยการตามเห็นความด้วยการตามเห็นภาวะจริงมาตลอดตั้งแต่ตามเห็นความไม่เที่ยงในวงเล็บอ น, นิจะสัญญานุ ป, ปสัสสีในวงเล็บ อนิจจานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นความจางคลายของกิเลสในวงเล็บวิราคานุปัสสีตามเห็นความดับของกิเลสในวงเล็บนิโรธานุปัสสีตามเห็นภาวะที่ได้ปฏิบัติทวนแล้วทวนอีกจนรู้แจ้งจบเป็นกัตยานในวงเล็บปฏินิสสคานุปัสสีอันเป็นการตามเห็นในวงเล็บ อนุปัสสีภาวะของความเป็นความมีจริงที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมแท้ๆซึ่งเห็นขั้นปั ส, สติหนวงเล็บเห็นมองเห็นดูไม่ใช่เห็นแค่ด้วยทิฏฐิหนวงเล็บความเห็นทฤษฎีความเชื่อถือหรือเห็นแค่ด้วยทัศนะที่เห็นด้วยตาเนื้อหรือการเล็งเห็นด้วยความฉลาด แต่ปัญญาที่เห็นขั้นปสตินี้เห็นอย่างสัมผัสของจริงตามความเป็นจริงทั้งรูปทั้งอรูปและนามธรรมทั้งปวงที่สุดนิพพานจากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงให้ปฏิบัติไปพร้อมในขณะทำรรอาชีพอยู่ในองเล็บสัมมาอาชีวะทั้งขณะทั้งในขณะทำการงานทุกอย่างอยู่ในรรองเล็บสัรรมมากัมมันตะ ทั้งในขณะพูดอยู่ในวงเล็บสัมมาวาจาทั้งในขณะดำรินึกคิดอยู่ในวงเล็บสัมมาสังกปะในทุกขณะผู้ปฏิบัติก็มีสติในวงเล็บสัมมาสติมีความพยายามในวงเล็บสัมมาวายามะให้สำเร็จทุกอิริยบทอยู่ในวงเล็บวิหารติด้วยการทำใจในใจให้เป็นสัมมายานทั้งเพ่งรู้เพ่งเผากิเลส ด้วยการไตรตรองตรวจสอบพิจารณารู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะนั้นๆทุกภาวะทั้งภาวะที่เกิดและภาวะที่จางคลายภาวะที่ดับสนิทจึงจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของรูปนามใน่งเล็พกายครบได้เรียนรู้เวทนาในเวทนาครบรบทั้งที่เป็นมโนปวิจารสามสิบหก และปฏิบัติได้ครบเวทนา108ได้มนสิการบริบูรณ์ด้วยตักกะวิตั ก, กะวิจาระในองเล็บวิตกวิจารคือตักกะวิตั ก, กะสังกปะอัปนาพยปน า, ปปนาเจตาโสอภินิโรปนาวจีสังขารอันเป็นสังกปะเจในเวทนานั้นเองก็คือ องรวมในววเล็บกายที่ปรงแต่งที่ปรุงแต่งในววเล็บสังขารกันอยู่ของรูปและนามอันเป็นสอารมณ์ที่มีรสอสสาทะเน่วเล็บรสโรกีเกิดอยู่ให้ผู้อวิชชาเสพรสเป็นสุขหรือทุกข์เมื่ออ่านเข้าไปในเวทนาให้ท้วนทั่วนในเวทนามันก็มีจิตหรือเจตสิกนั่นเองที่เรารู้ที่ถูกเรารู้ ในวงเล็บรูปว่าเป็นความรู้สึกอารมณ์สุขหรือทุกข์หรื อ, รอชอบไม่ชอบ จ, จึงพิจารณาจิตในจิตในเจตสิกนี้แหละยืนยันความจริงเราก็จะเห็นป ส, สติในองเล็บป ส, สติเราก็จะเห็นในองเล็บปสติจิตจริงๆที่เป็นอาการของอารมณ์ไม่สมใจมันจึงโกรธอยู่ หรือไม่ชอบใจอยู่นี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงจิตหรือวิญญาณในวงเล็บวิปัสนาญาณซึ่งกำลังออกอาการผีแท้เป็นอาการของโทสะมูลในวงเล็บสะโทสะกันต้อ ง, องเป็นโอปปปฏิกสัต์เป็นสัตว์โอปปปฏิกะคือสัตว์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่สัตว์ที่มีเนื้อมีตัวมีสรีระ มีสีมีสันมีเส้นมีแสงเงาใดๆเลยมีแต่อาการลิงคะนิมิตให้เราเห็นเรารู้อยู่ด้วยปัญญานี่แหละผีด้วยปัญญานี่แหละผีแท้ๆที่เป็นปรมัติต์ จิตวิญญาณเท่านั้นที่เป็นผีผีคือวิญญาณคืออาการของจิตเป็นผีไม่ใช่เป็นหลงอยู่แค่รูปร่างสรีระเท่านั้นเป็นผีทุกหรือกโกรธนั้นไม่ใช่รูปร่างแต่เป็นจิตวิญญาต่างหากที่มันทุกมันกโกรธมันคืออกุศลจิตมันคือกิเลสมันคือสมุหไทยอริยสัตว์ตัวแท้ คือตัวตนของสัตว์โอปปปฏิกะที่ชื่อว่าความโกรธในวงเล็บโทสะมูลซึ่งกําลังเกิดอายตนะในภายในระหว่างธรรมกับมโนให้เราเห็นในวงเล็บปสติเป็นการเกิดชนิดที่วิเศษกว่าสามัญยิ่งในองเล็บวิปั ส, สนาคือได้เห็นมานายตนะกับธรรมายตนะ ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันในวงเล็บสังขารทรงอยู่ในใจเราในใจเราเองในวงเล็บ ร, รมทนโทษขณะที่ว่าทรงอยู่ในใจเราเองในวงเล็บ ร, รมทนโทษขณะนี้ว่ามันคือวิญญาณผีที่แสดงความเป็นอยู่ความทรงอยู่ในมโนเป็นจิตสังขารอยู่ในภายในใจเรา ยังมีในวงเล็บโหติยังทรงอยู่ในวงเล็บธรรมให้เรารู้เห็นในวงเล็บปสติด้วยการสัมผัสอยู่หลัดหทนโธถึงภาวะที่มีในวงเล็บโหติและภาวะที่ไม่มีในวงเล็บนะโหติเราก็เป็นผู้ทําให้ไม่มีได้แล้วจริงภาวะที่ยังมีจึงคือธรรมคือยังทรงอยู่ ส่วนภาวะที่ไม่มีก็คืออธรรมคือไม่ทรงอยู่ในเราแล้วผู้มีความสำเร็จแท้ชนี้แแลผู้มีความสำเร็จแท้ชนนีแแลผู้มีธรรมผู้ที่ทำให้อกุศลจิตหรือทำให้กิเลสหรือทำให้บาปไม่มีไม่ทรงอยู่ในจิตเราได้เด็ดขาด ตลอดไปอย่างเที่ยงแท้ถาวรในองเล็บนิจจังทุวัง ส, สัตตังอวิปริณะอวิปริณามรรมังอสังหีรังอสังกุปปังนี้คือผู้เห็นภาวะที่ทรงอยู่ในใจเรานี้เองในใจเราเองนี้ธรรมคือรูปนามที่ทรงอยู่ในใจเราเองที่เป็นโลกุตระธรธรม46 ตั้งแต่กายในกายจนถึงเวทนาในเวทนาและจิตในจิตที่สุดธรรมในธรรมแท้ๆกายเวทนาจิตธรรมนี้แหละคือธรรมกายยิ่งครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยโลกุตรธรรม37มในวงเล็บโพธิปักขียธรรม37และสมบูรณ์โลกุตรธรรม9ก็ยิ่งนี้แหละคือธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นัน้นผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเป็นเช่นนี้เองนี้แหละตถานี้แหละตัทธตาในวงเล็บตถาเท่ากับความจริงผู้กําลังเห็นในวงเล็บปสติเท่ากับมีวิปัสนาญาณ ขณะนี้ผู้นี้เริ่มตั้งแต่กําลังพ้นสักยทิฐิอยู่แท้ๆเป็นผู้กําลังมีวิชาในวงเล็บกําลังพ้นอวิชาคือพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งอยู่หลัดๆกําลังเห็นของจริงที่เป็นภาวะสัตตุปปาติกะในวงเล็บสัตตาปปัตติกาตามสัมมาทิฐิข้อ9ในมหาจัตตารีสกสูตรซึ่งเป็น สัมโภคกายเหนึ่งเล็บองค์ประชุมของรูปกับนามที่กำลังปริโภคอารมณ์ว่าที่กาลังปริโภคอารมณ์ร่วมกันเกิดวิญญาณผีอันเป็นอาการของมานายตนะกับธรรมายตนะก็คือจิตขณะนี้นั่นแหละชื่อว่าผีโกรธที่กำลังแสดงอาการของใจที่ไม่ชอบใจในตนเองในวงเล็บ อากุศลจิตเท่ากับกิเลสต้องโต้งให้เราเห็นและเราก็ต้องกําจัดมันให้ไม่มีให้ได้ซึ่งโทสัมมูลตัวนี้ไม่มีสรีระไม่มีร่างที่เป็นตัวเป็นตนเลยมีแต่อาการไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไรเราจะต้องกําหนดเครื่องหมายหนึ่งเล็บนิมิตของกิริยาอาการของมันเอาเองให้ได้ว่า มันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เองคือผีที่เป็นอาการกโกรธมันมีแต่อาการคือไม่สมใจก็โกรธหรือไม่ชอบใจไม่ตรงใจก็โกรธเท่านั้นไม่มีรูปร่างสรีระเส้นแสงเงาสีตัวตนใดๆเลยซึ่งอาการกโกรธนี้มันไม่เหมือนกับอาการของราคะนะมันต่างกันในวัเล็บลิงคะนะ หรืออาการกโกรธนี้มันน้อยลงกว่าก่อนมันน้อยลงกว่าก่อนนะต่างกันในวงเล็บลิงคะกับเมื่อก่อนชนี้ก็ลิงคะดังนี้คือการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนิมิตในวงเล็บเครื่องหมายภาวะที่เรากำหนดหมาย ของความเป็นอาการต่างๆในจิตที่มีอาการมากมายแตกต่างกันหลากหลายในความแตกต่างนี้คำศัพท์ก็ว่าลิงคะหรือเพศซึ่งเป็นภาวะรูปสองความแตกต่างกันของภาวะสองอย่างคืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะอันเราต้องเรียนรู้กันกอาร และปฏิบัติจัดการในวงเล็บอภิสังขารทาจิตภาวะต่างนี้ให้บรรลุบุริสภาวะสูงสุดเป็นเอกภาว ะ, เ ป, เ, าวะเป็นเอกบรุษให้ได้ซึ่งก็คือเอกคตาจิตนั่นเองที่เป็นจิตยอดเลิศเยี่ยมในวงเล็บอัคะเป็นเอกแท้จึงต้องศึกษากันตั้งแต่มันเป็นองค์ประกอบในวงเล็บกายของรูปกับนามอันมีอาการที่ถูกรู้ในวงเล็บรูป เราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะของมันอยู่ณนะบัดนี้ว่าตัวกโกรธหรือตัวผีแท้ๆนี้ตัวอกุศลจิตจริงๆนี้ความจริงมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้เองในวงเล็บตถต า, ตานี่คือของจริงตามความเป็นจริงในวงเล็บตถตาของผีผีเป็นเช่นนี้เองในวงเล็บตัตา ที่ผู้มีปัญญาอาริยะกำลังรู้แจ้งเห็นจริงตามพระวจนะแท้ตามพระวจนะแท้ชนี้เองผีคืออชนี้เองผีคือสัตว์อปปปติกะที่ตาทิพย์อันเป็นอนุสสณีปฏิหารตรงตามปรมัตัสสัจจะประมัตัสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นจิตจิตสิก ที่เรากำลังเห็นรูปในวงเล็บรูปที่เป็นนามรูปคือภาวะจิตที่ถูกรู้เป็นอาการของจิตในจิตขณะนี้เป็นนามธรรมตนเองอยู่ดัดลัดขณะนี้คือเรากำลังรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเจโตปริยญาณ16ข้อ เจโตปริยญาณ16ข้อที่ขณะนี้คือเรากำลังรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเจโตปริยญาณยา16ข้อที่สองชื่อว่าสะโทสะหนึ่งเล็บจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะพระตรปิฎกข้อ9้า พระไตรปิฎกเล่ม9 1 6าข้อ 3, ซึ่งเป็นตัวตนของสมุทัยอริยสัตว์ในงเล็บสัจยะในอริยสัตว์สี่ผีตัวนี้แลที่จะกาจัดมันด้วยการเพ่งรู้เพ่งเผาในงเล็บฌานผีตัวนี้ให้สิ้นไปจากใจเราด้วยวิตกวิจารในงเล็บพฤติปฏิบัติที่เพ่งรู้เพ่งเผาด้วยการทำวิปัสสนา คือพิจารณาศึกษาจิตเจตสิกจนไตรตรองตรวจจับตัวกิเลสได้แล้วกำจัดมันซึ่งขณะที่จิตกำลังเป็นผีคือจิตเรากำลังมีทุกขเวทนาหรือมีอารมณ์ไม่สมใจก็โกรธอยู่หรือไม่ชอบใจไม่ตรงใจอยู่ก็โกรธเราก็พิจารณาตรวจสอบใจเราได้ในงเล็บวิจาระ ว่าเหตุตัวเป็นเหตุตัวที่เป็นอารมณ์ผีก็ตัวนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองในองเล็บตาตาผู้มีตาทิพตามอนุสสนีปฏิหารจะเห็นผีด้วยสัจธรรมอย่างนี้เห็นเหตุที่เป็นสมุทัยอาริยสเห็นเหตุที่เป็นสมุทยอริยสัตว์ด้วยวิปัสนาญาณ และเห็นเทวดามารเนวงเล็พผีพรมก็ต้องเห็นในวงเล็พปสติด้วยยานเยี่ยงนี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเนวงเล็พไม่ใช่ทัศนังจึงจะตรงพระพุทธวจนะแล้วกําจัดเนวงเลบประหารเหตุตัวนี้ที่เป็นอาการของจิตในความเป็นกายเนวงเล็พองค์ประชุมของรูปกับนามซึ่งเป็นสกิยะคือกายของตน แท้แท้จึงต้องสัมมาทิฏฐิกันจริงๆที่จะแยกกายแยกจิตในความเป็นกายสังขารตรงตามปรมัต ธ, ธรรมก็จะกําจัดถูกภาวะของสมุทัยคืออกุศลจิตอกุศลเจตนาอากุศลเจตสิก ต, ตัวแท้ดังนั้นใครจะเห็นเทวดาก็ดีที่เป็นสมุติสัจจะยงเล็บเห็นเทวดาก็ ในองเล็บเห็นเทวดาเกเทวดาเทศเท่ากับสมุติเทพแบบมโนมยอัตตาหรือแม่เห็นเทวดาที่เป็นปรมาทสัจจะก็ดีในองเล็บเห็นเทวดาจริงเท่ากับอุบัติเทพหรือวิสุทธิเทพแบบมโนมยิทธิที่เป็นวิชา8ข้อที่สองแม้ที่สุดเห็นพรมหรือวิสุทธิเทพก็ดี ก็เห็นเป็นตาที่ตามอนุสัสนีปฏิหารด้วยไนยะแห่งพุทธเยี่ยงเดียวกันนี้เองในวงเล็บจึงจะเป็นปฏิหารของพุทธถูกตรองถูกตรงตามพระพุทธวจนะซึ่งชัดเจนว่าความเป็นเทวดานั้นคืออาการของความรู้สึกหรืออารมณ์ของใจเป็นความสุขหรือความเจริญ ถ้าความสุขหรือความเจริญที่เป็นเทวดาโลกีก็มีสุขเก้สุขเทศในงเล็บสุขคลิกะที่สุเพราะความเจริญอามิรคือยินดีพอใจที่เจริญลาบยศสันเริญรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายภายนอกอันสุขสมใจกามกุลห้าในกามวจร ซึ่งเป็นการบำเรออารมณ์บำเรอกิเลสให้อ้วนให้โตให้ใหญ่ให้หนาขึ้นอย่างนี้เองคือความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณหรือสัตว์โอปปปฏิกะภาวะชนี้คือเทวดาที่เรียกว่าสมุติเทพและแม้ความสุขหรือความเจริญซึ่งยังเป็นเทวดาโลกีที่มีสุกเก้สุขเทศในองเล็บสุขคลิกะเพราะยังเป็นความเจริญอามิสอยู่คือยินดีพอใจ ที่จเจริญด้วยความสงบที่ยังเป็นความสงบแบบภูมิเจโตสมถะยังไม่ใช่สงบด้วยโลกุตระจิตแปดในองเล็บยังไม่ต้องไปพูดถึงโลกุตระจิตสี่สิบหรอกอันเป็นสุขารมณ์ทางกายภายในองเล็บกายในกายมันเป็นสุขสมใจในภพสองวงเล็บรูปภพหรืออรูปภพคือเข้าไปเสพสุขใน รูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิซึ่งผู้ยังอวิชชาจะบำเรออารมณ์บำเรอกิเลสภาวะตัณหาให้อ้วนให้โตให้ใหญ่ให้หนาขึ้นอย่างนี้เองก็ยังคือความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณหรือสัตว์อปปปฏิกะภาวะชนีก็ยังคือเทวดาที่ยังเป็นโลกีภูมิเรียกว่าสมุติเทพ ยังสุขสมในใจอัตตา ย, ยังสุขสมใจในอัตตาเพราะยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้โอราลิกะอัตตาอันเป็นสัตว์ที่ยังเสพสุขทางกายภายนอกคือการมะพบมาก่อนยังแยกกายแยกจิตในกามาวาจรภูไม่เป็นจึงยังไม่ได้กำจัดกิเลส ข, ขั้นต้นนี้ไปตามลำดับ ยังไม่เข้าใจความเป็นมโนมยะอัตตาเนองเล็บยังไม่ต้องพูดถึงอรูปอัตตาจึงยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงปรามัต ธ, ธรรมที่ตนบำเรออัตตาตนอยู่ซึ่งชาวพูดส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังแยกกายแยกจิตไม่ได้แยกไม่เป็นปรามัตสัจจะตามในที่ไม่ได้แยก ซึ่งชาวผู้ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังแยกกายแยกจิตไม่ได้แยกไม่เป็นปรมาศัส จ, จะตามไตรยที่พระพุทธว จ, จะนะกันเกือบทั่วๆในวงการพุทธแล้วยังหลงว่าการแยกกายแยกจิตนั้นคือการนั่งหลับตาทำสมาธิเข้าไปสู่ภวังแล้วก็ทำความรู้สึกของตนให้ตัดขาดจากภายนอกไม่ให้รับรู้สึกภายนอก แม้จะมีอะไรกระทบสัมผัสภา ย, ภายนอกถ้าทำได้ก็นับเอาความสำเร็จอย่างนี้เองว่าเป็นการแยกความเป็นกายกับความเป็นจิตได้ไอแบบนี้มันก็แค่เท่ากับคนนอนหลับหรือคนตกพวังหรือกา ร, รทำการหลบภพบนอกเข้าไปอยู่ในภพภายในได้สำเร็จก็เท่านั้น มันเป็นการแยกกายแยกจิตที่ถูกต้องตามประมมัทธสัจจะของพระพุทธเจ้าที่ไหนกันหรือผู้ที่แยกความรู้สึกเช่นเจ็บปวดที่ร่างมันมีแผลมีฝีเป็นต้นเจ็บมากปวดมากแต่คนผู้นี้สามารถแยกไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดได้สำเร็จตัดความรู้สึกเจ็บปวดนั้นได้สำเร็จก็หลงถือว่าอย่างนี้คือ การแยกกายแยกจิตได้อีกแบบหนึ่งหรือที่หลงลึกล้าไปกว่านั้นก็คือการทำสมาธิหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังได้แล้วก็มีจิตวิญญาณของตนออกประจกร่างของตนออกไปนอกตัวเราได้แล้วก็ย้อนมาเห็นภาวะตัวเราขณะนั้นว่ายังมีร่างของเรานั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าก็เลยหลงว่าเราเก่ง ที่แยกธาตุรู้คือจิตวิญญาติออกจากร่างได้และจึงหันกลับมามองดูตนเองอีกทีก็เห็นร่างของตนเองอีกต่างหากหรือเห็นคนอื่นเห็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ที่แวดล้อมตนอยู่ขณะนั้นได้ก็หลงว่าเราสามารถแยกกายแยกจิตได้อย่างนี้ก็มีก็ยึดอย่างนี้ว่าเก่งส่วนมาก ก็แยกจิตไม่เป็นสัมมาทิฐิจริงหรอกมันแค่อุปทานสร้างรูปสร้างเรื่องขึ้นมาหลงเองซึ่งเป็นภาพความฝันต่างๆแล้วก็หลงว่าตนเห็นของจริงแท้คือมโนมยัตาซึ่งเป็นแค่รูปที่สำเร็จด้วยใจภาพนั้นใจมันปั้นขึ้นมาสำเร็จได้ด้วยใจ เป็นภาพเป็นรูปที่ตนเองมีความตั้งใจเนวงเล็บสันเจตนนึก สัเจตนิตกแต่งในองเล็บสังคตะตกแต่งแล้วในวงเล็บ สัตตัคิตะสัชคิตะในองเล็บสังชคิตะก็หลงเป็นความพอใจในองเล็บฉันทะก็เลยหลงสะสมในองเล็บสันจินาติจึงเกิดการรวมในองเล็บสังชนะแล้วก็มีการสะสมสันจินตะสัน ในองเล็บสันจินนะในวงเล็บสันจินนะสัญยะในองเล็บสันจินนะสัญจะยะขึ้นจริงเมื่อสะสมแล้วในวงเล็บสันจิตตะในวงเล็บสัญยจิตก็ยึดเอาถือเอาในองเล็บอุปทา จนเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวงเล็บอุปท า, านกระทั่งกลายเป็นจิตของตนในองเล็บสจิตะที่จะแยกออกที่จะแยกให้ออกจากกันก็ยากยิ่งเสียแล้วทีนี้ได้มาฝึกฝนการแยกแต่แยกชนิดที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะจริงของนามรูปแท้ที่เป็นกายในองเล็บองรวมที่มีจริง เป็นจริงเพราะเข้าใจไปหมายเอาความเป็นกายผิดเป็นมหาภูต ร, รูปเท่านั้นซึ่งไม่ใช่การแยกปราษาทรูปกับโคจ ร, รูปที่ต้องมีทั้งระษาทะในวงเล็บประสาส์มีทั้งการทำงานของประสาทและมีทั้งการสัมผัสในวงเล็บในองเล็บผัสสะโพทะพะ แต่ไปหลงแยกอยู่แค่สัญญาแนวเล็บความหมายรู้ความจำภายในใจตนไม่มีการสัมผัสระหว่างรูปภายนอกกับนามภายในด้วยจึงหลงได้แค่จึงหลงได้แต่ฝึกการแยกในภายในองค์ประชุมของจิตในจึงหลงได้แต่ฝึกกจึงหลงได้แต่ การแยกในภายในองค์ประชุมของจิตในจิตในองเล็บนามกายเท่านั้นไม่ได้ฝึกการแยกนามธรรมในขณะที่มีประสรทาททำหน้าที่อยู่โดยมีการสัมผัสภา ย, ภายนอกอยู่หลัดๆและประสาทก็แสดงความเป็นชีวิตมีชีวิตตินซีอยู่ทำงานมีปฏิกิริารยาร่วมกันเป็นรูปที่สมเป็น เป็นเป็นรูปที่รับรู้อารมณ์หอยู่ต้องๆในวงเล็บโคจระกับมหาพุตธ ร, รูปภายนอกเลยจึงไม่ใช่โคจระคาทิก ร, รูปในวงเล็บรูปที่รับโคจรคือรับรู้อารมณ์หและเมื่อสามารถแยกภาพภายในกับความรับรู้ภาพภายในกับความรับรู้ได้ หรือแยกภาพตัวเราภายในกับความรับรู้ของเราออกจากกันได้กายของผู้หลงผิดจึงเป็นแค่ภาพของร่างเนงเล็บสรีระที่เรากำหนดหมายรู้อยู่ในใจที่เรากำหนดหมายรู้อยู่ภายในใจว่า ภาพเราที่นั่งสมาธิอยู่นั้นคือเราหรือภาพที่นอนตายเน่าอยู่ต่อหน้าขณะนี้คือเรามันก็แค่กายหรือภาพกายคือร่างในองคเล็บสรีระที่เป็นภาพอันเกิดอยู่ภายในใจเท่านั้นไม่ใช่ภาพที่มีการสัมผัสอยู่ไม่ใช่ภาพที่มีการสัมผัสอยู่จริงภายนอกเลยส่วนจิต ที่แยกออกไปจากภาพของร่างในองเล็บวัตถุนั้นก็คือธาตุรู้หรือความรู้สึกที่กำลังดูภาพของร่างเราเองอยู่ขณะนั้นมันมีแต่สัญญากำหนดรู้ในภายในกันเท่านั้นมันไม่ใช่วิญญาณที่รับรู้ครบพร้อมขณะมีประสาทประสาทรูป กำลังทำงานสัมผัสกันอยู่กับโคจรรูปและโคจรและโคจระก็เป็นโจคจรักคาทิก ร, รูปอย่างเล็บรูปที่รับโคจรคือรับรู้อารมณ์5ซึ่งยังมีสัมปตะโคจรคาทิก ร, รูปสองได้แก่ตาและหูซึ่งเป็นรูป ที่ใช้กระแสวิ่งจากที่ไกลมาแตะรู้ได้และอสัมปตโคจะรักขาที่กระรูป3ได้แก่จมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปที่ใช้ในการแตะติดตัวจึงจะรู้ได้ที่ใช้การแตะ ติดตัวจึงจะรู้ได้ได้แก่รถแตะคือลิ้นกับภาวะที่ต้องแตะติดคือกายและประสาท ต, ต้องตื่นรู้ทำงานรับรู้ด้วยถึงจะมีการรับถึงจะมีการรู้ได้จึงจะกำหนดได้ว่ารูปที่มีอินทรีย์ในวงเล็บพลังงานเรียวแรงของความเป็นชีวิตทำงาน ในองเล็บชีวิตตินรีอยู่คือรูปที่ยังทำหน้าที่มีชีวะแต่เป็นแค่ผีชนิยามธาตุรู้ขณะนั้นมีพลังไม่ถึงขั้นจิตนิยามจึงไม่ใช่วิญญาณนี้คือโคจรักคาหิกโคจรักคาหิกกระรูปหโคจรักคาหิกกระรูปห้า ซึ่งไม่ใช่เพราะต่างจากอกโครจรคาหิกรูป23ในวงเล็บรูปที่รับโครจรรูปที่รับโครจรไม่ได้23คืออุ ป, ปัาฐยรูปที่หักปราษาทรูป5ออกหรือไม่นับปราษาทรูป5เข้าไปด้วยมันจึงไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าปัญญา มันเป็นได้แค่สัญญาคือเห็นกันอยู่แต่ภายในนั่นคือการแยกจิตแยกกายที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการแห่งปรมาธสั จ, จะเอาละมันจะเป็นจริงได้ทำจริงทได้จริงต่อให้เก่งจริงก็เถอะถอดจิตตนออกไปได้จริงเป็นผู้สมร็จอิทธิปฏิหารหรืออธธาเทศนา หรืออธิษฐานปฏิหารได้แท้ก็ยังไม่ใช่การแยกกายแยกจิตที่เป็นปรัชมธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามเช่นสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรูป28รู้จักรู้แจ้งรู้จริงนามที่เป็นเจตสิกจิต89เเป็นต้นตามพระอนุสสณีของพระพุทธเจ้าอยู่ดีซึ่งบางคนหนักไปกว่านั้นนั่งสมาธินี่แหละ แล้วเก่งถึงขั้นแยกร่างออกไปเป็นร่างของตนนอนตายเน่าเปื่อยให้เห็นอยู่ต่อหน้าขณะนั้นเลยแล้วก็หลงว่านี่คือการแยกกายแยกจิตได้อธิบายถึงขั้นว่าเมื่อเห็นสภาพความเน่าเปื่อยก็นี่แหละคือการเห็นอสุภะเห็นอนิจจังเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เห็นความไม่เที่ยงทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นแค่อุปทานเป็นแค่มโนโมยอัตตาที่ปั้นขึ้นมารู้มาเห็นเองใน ใ, นใจของตนแ ท, แท้และก็ยึดเอาความสามารถเยี่ยงนี้ว่านี่แหละเป็นผู้บรรลุการแยกกายแยกจิตหรือจะมีนัยยะอื่นอยู่ที่อัตมายังไม่รู้ก็อาจจะมีกันอีกก็ได้จะอย่างไรก็ตามถ้ามีนัยยะสาคัญที่ไม่ใช่การแยกกายแยกจิตชนิดที่ แยกรูปแยกนามจากความเป็นกายสังขารหรือกายวิญญาณได้ด้วยวิโมค8แล้วรู้จักรู้แจ้งรู้จรจิงความเป็นรูปความเป็นรูปรูปรูปปรกายรูปนามนามกายนามารูปและมีการสัมผัสภ า, ภายนอกอยู่ด้วยแล้วยังมีแล้วยังสามารถเป็นผู้มีความรู้สึกในวเล็บสัญญีภายใหนได้เสมอ ไม่ได้ทิ้งภายนอกเลยจึงจะสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายโดยตนเองในวงเล็บเอโกบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกข้อ10เล่ม10ข้อ100ถึง101หนึ่งจึงจะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงเป็นปัจจุบันธรรมยืนยันได้ครบความเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าโอปปัติกะมีภาวะอยู่ทนโทษ เราได้พูดถึงสัตว์ที่เป็นเทวดาเจริญแบบโลกิยะและยึดติดแบบเทวนิยมมาแล้วทีนี้ความเป็นเทวดาที่มีอาการของความรู้สึกหรืออารมณ์ของใจที่เป็นไปนตามที่เป็นไปในความเจริญโลกุตระก็เป็นความสงบแต่สงบจากกิเลสไม่ใช่สงบอย่างเจโตสมถะสงบ เพราะลดละกิเลสได้สู่ความหมดทุกอริยสัจหมดสุขโลกีที่เป็นสุขเทศที่เป็นสุขคลิกะต้องอย่างนี้จึงจะเป็นโลกุตระซึ่งจะกําจัดสัตว์โอปปปฏิกะที่ชื่อว่าเทวดาชนิดที่เป็นสมมุติเทพไปจริงแล้วจึงจะเป็นอุบติเทพไปตามลําดับที่สูงที่สุดสูงสุดก็เป็นวิสุทติเทพวิสุทธิเทพ หรือสุดยอดแห่งพรมสุดยอดแห่งพระเจ้าผีมันก็คือวิญญาณคือจิตนั่นเองเทวดาก็วิญญาณก็จิตพรมก็วิญญาณก็จิตจิตก็วิญญาณก็มโนมโนก็วิญญาณก็จิตใช่ไหมวิญญาณจิตมโนปรากฏอยู่หน้าที่ใดจึงคือ ตัวผีตัวเทวดาแท้ๆอยู่ณที่นั้นและไม่สิงสู่อยู่ในและไม่สิงสู่อยู่ที่ไหนที่ไหนอันเป็นมหาภูต ร, รูปเลยจะอยู่ได้ประจำที่เป็นเหมือนห้องเหมือนถ้ำมีขอบเขตเรียกว่าคูหาสยังทีเดียวเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นคือในตัวสัตว์โลกที่มีจิตนิยาม ดินน้ำไฟลมหรืออากาศมหาภุตารูปทั้งหลายที่เป็นผีเป็นเทวดาไม่ได้ผีหรือเทวดาหรือพรหมก็คือวิญญาณก็คือจิตคือเจตสิก ค, คืออารมณ์คือเวทนาเท่านั้นที่เป็นผีเป็นเทวดาและเป็นแล้วก็เห็นไม่ได้ในวงเล็บอนิทัศนังไม่มีสรีระ น็งเล็บอสรีระให้เห็นได้แบบตาเนื้อเห็นเห็นจะเห็นเนวงเล็บปัสะโตได้รู้ชนะโตได้ก็เป็นแค่อาการเท่านั้นที่ปรากฏให้เรียนรูก้กำหนดหมายเนวงเล็บสัญญากำหนดเครื่องหมายในวงเล็บนิมิตเอาเองตามญาณปัญญาของตนดินน้ำไฟลมอากาศเป็นผีแท้ไม่ได้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 หลอกตนเองหลอกผู้อื่นให้หลงตามจนกระทั่งผู้อื่นกลายเป็นผู้หลงก็มีอุปท า, านสามารถได้มโนมยะอัตตาในวงเล็บมโนมยะอัตตปฏิลาโภนั้นไปตามตามกันหลงว่าจริงไปตามตามกันจนบัดนี้มอมากันมานานแสนานานแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมเพลาการหลอกให้หลงผิดว่าผี ในวงเล็บจบฉบับที่294